ขอถวายความเคารพและแสดงความนับถือแด่ท่านพระเทรานุเถระทุกรูปซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมวรนายกเจ้าวาดวัดพานรายมหาราชนายกสภา วิทยาเขตนครราชสีมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลวิทยาลัยและท่านเจ้าคุณพระราชสีมาพรรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมาเป็นต้นเป็นประธานขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ซึ่งมีท่านผู้อนวยการสำนักงานพุษสนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นเป็นประธานมานั่งพูดตรงนี้ให้ความรู้สึกที่ที่เรียกกันว่าเป็นความรู้สึกแห่งความปลื้มใจดีใจ เหมือนที่ผู้บริหารและคณะสงฆ์แห่งนครราชสีมารู้สึกนั่นก็คือเรามาร่วมในพิธีเปิดอาคารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิยาเคนนครราชสีมาเป็นอาคารใหญ่ สูงห้าชั้นสำเร็จรุล่วงด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายและมีความาามีความสมบูรณ์ในองค์ประกอบที่เรียกกันว่าหนึ่งมี ความยิ่งใหญ่เป็นอาคารที่ใหญ่และกระโดดเด่นเป็นสง่าข้อที่สองยิ่งใหญ่แต่สวยงามเพราะอาคารที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตแต่บางทีไม่งดงามอาคารนี้สร้าง ในรูปแบบทรงไทยมีหน้าบันมีสิ่งที่เรียกกันว่าสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเป็นหน้าจัว่วเป็นสามเหลี่ยมรูปทรงคล้ายพระพุทธรูปอยู่บนหลังคายิ่งใหญ่งดงามและ สร้างจากความศรัทธาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติพระศาสนาเป็นมรดกของแผ่นดินไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งจึงเป็นสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ให้มาศึกษาเล่าเรียน สิ่งที่เราเห็นเด่นเป็นสง่าวันนี้เป็นเหมือนยอดของก้อนน้ําแข็งที่ลอยอยู่กลางทะเลก้อนน้ําแข็งหรือภูเขาน้ําแข็งที่เรียกกันไอซ์เบิร์กลอยอยู่ในทะเลเนี่ยส่วนที่พ้นน้ําแค่หนึ่งในหก ของส่วนที่อยู่ใต้น้ำส่วนที่อยู่ใต้น้ำห้าส่วนส่วนเหนือน้ำแค่หนึ่งส่วนหนึ่งในหส่วนของสิ่งที่ลอยอยู่กลางทะเลก้อนน้าแข็งดูไม่ใหญ่ถ้าดูเหนือน้ำแต่เรือใหญ่ๆอย่างไททานิก บังอาจไปชนเข้าก็จมลงทะเลไปอาคารหลังนี้เป็นมงกุฎยอดน้ำแข็งในปัจจุบันตั้งอยู่บนฐานแห่งความยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์สามสิบปีของวิทยาเขตนครราชสีมา สามสิบปีที่สะสมความยิ่งใหญ่ทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ด้านกายภาพทั้งในเรื่องของครูบาอาจารย์บุคลากรสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันแพร่ขยายไปเป็นส่วนงานใน จังหวัดใกล้เคียงเช่นชัยภูมิและแผ่ขยายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกลายเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งสืบต่อวัฒนธรรมองค์กรมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง ครึ่งอายุคนนับแต่ปี 2,530 ถ้าไม่มีฐานแห่งความยิ่งใหญ่อย่างนั้นสมมติว่าเพิ่งสร้างเป็นหลังแรกก็จะไม่ได้อย่างนี้ที่สร้างได้อย่างนี้เพราะความพร้อมและความจำเป็นความพร้อม จากหลายปัจจัยที่กล่าวมาความจำเป็นก็คือจำนวนนิสิตที่มากขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจำเป็นต้องมีที่เรียนในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนั่นคือเหตุผลที่ท่านเจ้าคุณพระราชปรวราจารย์ หรือพระสุทีวรยานรองอธิการบดีหัวหน้าวิยาเขตในการวางศิลาฤกษ์ได้ระบุไว้และเป็นความฝันของท่านอยากจะเห็นอาคารสำหรับบัณฑิตศึกษาสำเร็จในช่วงชีวิตของท่าน เป็นมโนรถมุ่งมา่ปราถนาที่สำเร็จก่อนท่านจะถึงมรณภาพในวันที่เราไปทำพิธีมุทิตาสการะในโอกาสที่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันราช5ธันวาคมที่ผ่านมา เราก็มีความหวังว่าท่านเจ้าคุณพระราชประวราจารย์จะได้มาชื่นชมยินดีพร้อมกับพวกเราในวันนี้และได้กำหนดล่วงหน้าไว้วันนี้แต่วันนี้ไม่มีท่านเสียแล้วได้ทราบว่า การก่อสร้างก็เสร็จก่อนกำหนดถึงสี่เดือนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความฝันของพระโคราชรูปหนึ่งคือเจ้าคุณรงของเราท่านก็ได้ขึ้นไปสำรวจได้เห็นความสำเร็จของอาคาร เหลือแต่เพียงการมาเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้และวันนี้ก็ชื่อชื่อว่าเราได้ลำลึกนึกถึงผู้มีส่วนในการผลักดันที่สำคัญให้เกิดอาคารอันงดงามยิ่งใหญ่หลังนี้และทาพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่ผู้มีพระคุณรูปนี้และรูปอื่นๆที่ได้เริ่มก่อตั้งวิทยาเขตนครราชสีมาของมหาจุฬาและส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ พุ่มกิติสารมหาเถระประธานสภาวิยเขตรูปแรกและจนมาถึงรองอธิการบดีที่มรณภาพในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแห่งวัดพายับจนมาถึงท่านเจ้าคุณพระราชปวราจารย์ เป็นห้าส่วนในหกส่วนที่ส่งเสริมความยิ่งใหญ่ของวันนี้ดังนั้นชื่อว่าเราได้ทำตามภาษิตที่ว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้อาคารสถานที่นอกจากหลังนี้เราก็เราก็ได้รับความการุณาจากพระสงฆ์พระเถระแห่งโคราชเช่นหลวงพ่อคูณปริสุโทโธจำได้ว่า ในการไปขอการสนับสนุนจากหลวงพ่อคูณเพื่อมาสร้างอาคารเนี่ยในครั้งแรกท่านเจ้าคุณพระราชสีมาพรในสมัยนั้นได้ชักชวนอาตมาในฐานะอธิการบดีไปกราบหลวงพ่อคูณด้วยกัน เอาไปเป็นพยานว่าเอาไปสร้างมจรอเน่แต่หน้าที่ในการพูดกับหลวงพ่อคูณเป็นเรื่องของท่านเจ้าคุณปรากฏว่าหลวงพ่อคูณพูดง่ายมากไม่ถึงห้านาทีก็ตกลงเลยและส่งเงินมาถวายหลายงวดจนเกิดอาคารหลังใหญ่ๆขึ้นมา ความพร้อมแห่งกายภาพก็ปรากฏอย่างที่เห็นมีอาคารสถานที่และความสำเร็จแห่งอาคารล่าสุดนี้ทำให้นึกถึงพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าวายเมเทวะปุริโสยาวอัตถสนิปทา เกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนานิพพันนโสพิโนอัฏฐาขันตยาพโยนวิชติสิ่งที่ปรารถนาเมื่อทำสำเร็จแล้วงดงาม เพื่อความสำเร็จไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าขันติความอดทนเหนื่อยลำบากตรากตรำต้องอดทนรอวันนี้ที่เป็นความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจพอสำเร็จแล้วงดงาม ชื่นชมยินดีสอนคติเตือนใจเราว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายังหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาธหมายหวังไวเ้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนใายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจ วันที่ย้ายจากวัดนารายณ์มาอยู่ที่นี่ในที่ดินห้าสิบไร่อาตมาผู้พูดก็มามีส่วนร่วมกับหลวงพ่อพระธรรมวรนณายกในสมัยนั้นก็ว่าใหญ่แล้วนะพื้นที่นี้แต่เมื่อการเวลาผ่านไป พื้นที่ก็แคบลงประโยชน์ใช้สอยให้คุ้มก็ต้องสร้างอาคารสูงอย่างที่ท่านเห็นทางออกทางแก้ในขั้นต่อไปก็คือจะสร้างอะไรในพื้นที่ขนาดนี้ต้องคิดในฐานสูง สูงเข้าไว้ถ้าไม่อยากจะให้สูงต้องขยายพื้นที่ในทางกว้างเพราะลงใต้ดินคงแพงฉะนั้นก็จะต้องมีแผนรองรับถ้าไปคิดขยายพื้นที่ในวงกว้างในปัจจุบันแค่พูดแค่นี้ที่ดินก็ขึ้นราคา ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำล่วงหน้าหมดล่วงหน้าในอดีตทำให้วันนี้ง่ายขึ้นล่วงหน้าวันนี้ทำให้ยี่สิบปีข้างหน้าง่ายขึ้นนี่แหละทำไมเราจึงต้องขอบคุณบรรพบรุษบุพการีของเราที่ลิเริ่มสร้างสรร วางรากฐานไว้ถ้าไม่มีวิทยาเขตเมื่อสาสิบปีวันแล้วมาสร้างวันนี้มันจะแพงแสนแพงยากลำบากกว่านี้หลายเท่า เ, เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วมคนลไม้คนลมือทั้งสิ้นทั้งครหัตญาติโยม ที่อุปถัมภ์บำรุงทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ที่ร่วมกันบริจาคทำให้เกิดภาพแห่งความงดงามที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เรามองย้อนหลังเหลียวหลังไปดูว่าเรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไรและก็แลน่า วางแผนต่อไปในอนาคตเมื่อมีอาคารสถานที่ใหญ่โตพร้อมที่จะรองรับความเติบโตในอนาคตแค่ไหนเพียงไรจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทย มีสามสิบสองอำเภอมีวัดมากพอๆกับภาคคณะสงฆ์ภาคหนึ่งสองพันวัดมีพระสงฆ์เกือบสองหมื่นรูปภิกษุสามเณรแค่รองรับให้บริการกับพระภิกษุสามเณรทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่า เต็มกลื่นยันจะมีความต้องการของคฤหัสถ์ลูกหลานของญาติโยมมาเรียนเพิ่มอีกจะรองรับอย่างไรพูดถึงศักยภาพของวิทยาเขตแห่งนี้มีมากเหลือเกินจังหวัดนี้เป็นจังหวัดใหญ่ เป็นประตูสู่อีสานแค่จังหวัดเดียวก็มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงสิบแห่งมีครูบาอาจารย์พร้อมที่จะมาช่วยมากมายมีบุคลากรเก่งๆเพียบอยู่ในจังหวัดนี้มีทุนมหาศาล แค่หลวงพวกคูณขยับนิดเดียวก็ได้มาขนาดนี้จึงมีโพเทนเชียลมีศักยภาพมากมายขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารจะมีวิสัยทัศน์จะมีวิชั่นสำหรับยี่สิบปีข้างหน้าอย่างไร จากจุดนี้เราวางแผนต่อไปอย่างไรสามสิบปีที่ผ่านมามาขนาดนี้อีกสามสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฝันให้ไกลไปให้ถึงและไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่ได้เพราะที่นี่มีทุนทางสังคมสูง เพราะความได้เปรียบดังกล่าวมาแล้วเพียงแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะดึงเอาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาวิทยาเขตแห่งนี้ทั้งในส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าและคฤหัสถ์ญาติโยมไม่นับนิสิตผู้จะมาเรียนซึ่งมีอยู่มากมาย ทั้งในจังหวัดนี้และจังหวัดใกล้เคียงขอเพียงแต่มีระบบบริหารที่ดีรองรับเรามีอาคารสถานที่มีความพร้อมอย่างดีแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือคนคือมนุษย์ เราจะพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องจับการพัฒนามนุษย์จับการพัฒนาคนมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาถ้ามนุษย์หรือคนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข ส่งไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจเจริญพัฒนาทั้งสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมส่งไปอยู่ในวัดวัดก็จเจริญส่งไปอยู่นอกวัดในเทศบาลในราชการในเอกชน ได้คนที่พัฒนาแล้วเขาจะไปสร้างขึ้นมาเองใหม่นี่คือปรัชญาของมหาจุฬามหาจุฬาซึ่งตอนนี้มีอยู่45จังหวัดผ่านการประเมินของสองกอทั้งหมดมีผู้เรียน 25,000 รูปคนทั้งในประเทศต่างประเทศ ในต่างประเทศเราไปเปิดปริญญาตรีปริญญาโทอยู่ที่เกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์สีหลังกาเปิดปริญญาเอกอยู่ที่ฮังการีในยุโรปซึ่งกว่าจะเข้าไปเปิดในยุโรปได้มหาจุลาต้องผ่านการประเมินของ e อีูสหภาพยุโรปตอนนี้สหภาพยุโรปรับรองมหาจุลาหมดแล้ว ฉะนั้นที่เรามาถึงจุดนี้เราเริ่มจากการพัฒนาคนสร้างคนให้มีคุณภาพเอาคนที่มามีคุณภาพมาพัฒนามหาจุฬามหาจุฬามันก็เติบโตทราบหรือไม่ว่าบัณฑิตรุ่นแรกที่รับปริญญาของมหาจุฬามีกี่รูป หกรูปเท่านั้นจบรุ่นที่หนึ่งหกรูปแล้วตอนนี้จเจริญเติบโตมาขนาดนี้เพราะคนที่เราสร้างเราสร้างคนคนก็มาสร้างมหาจุฬาวิทยาเขตโคราชสร้างคนคนก็มาพัฒนาวิทยาเขต ถำว่าสร้างไม่ได้หมายความว่าผลิตบัณฑิตอย่างเดียวพันธกิจมันมีสี่อย่างของวิยาเขตผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมคือพัฒนาสังคมพัฒนาคณสง์ธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทำพันธกิจสี่อย่างให้ครบแล้วอานิสงส์มันจะกลับมาสู่ วิทยาเขตแห่งนี้ยึดหลักพัฒนาคนด้วยการศึกษาพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนวิทยาเขตต้องกวาดบ้านตัวเอง เมื่อมีอะไรพร้อมทุกอย่างแล้วคนซึ่งบริหารวิทยาเขตต้องพร้อมครูบาอาจารย์ที่สอนต้องเก่งนิสิตนักศึกษาต้องตั้งใจศึกษาแล้วเรียนมันจึงจะคุ้มกับการลงทุนที่เราสร้างอาคารมาขนาดนี้ด้วยเงินแผ่นดินและเงินบริจาค และการมามีส่วนร่วมช่วยกันกากับดูแลในการสร้างอาคารหลังนี้เหนื่อยยากเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยหายเพราะเครื่องหมายแห่งความดียังมีอยู่เครื่องหมายแห่งความดีไม่ใช่อาคารแต่เป็นผลผลิตที่จะสำเร็จการศึกษาจากอาคารหลังนี้ต่างหาก ประโยชน์ในการใช้สอยต่างหากที่สำคัญและเราจะสร้างบัณฑิตออกมาให้มีคุณภาพใช้ประโยชน์ให้คุ้มต้องมีระบบบริหารที่เรียกกันว่าธรรมมาพิบาลธรรมมาพิบาล o ก e r เอนซ์เป็นสิ่งที่สังคมไทยยังขาด ธนาคารโลก IMF มาวิเคราะห์ประเทศไทยเมื่อ20ปีที่ผ่านมาว่าทำไมประเทศไทยจึงประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เรียกกันว่าต้ยมยำกุง้งล้มบนฟูกค่าเงินบาทลอยตัวเหตุเพราะ เราไม่มีระบบบริหารที่เป็นธรรมมาพิบาลระบบบริหารของเรานั้นอ่อนแอจึงใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆไม่คุ้มคณะสงฆ์ก็ต้องมีธรรมมาพิบาลมิฉะนั้นเขาก็จะไม่ สนับสนุนและมาเรียกร้องให้มีให้มีการปฏิรูปกิจาการพระศาสนาอย่างในปัจจุบันปีที่แล้วนี่ฝุ่นตลบสองปีที่ผ่านมาเรียกร้องให้ปฏิรูปพระศาสนาเรียกร้องให้ปฏิรูปละบบบริหารทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งอยู่ในองค์กรพระศาสนาเราก็ต้องปฏิรูปตัวเองต้องใช้ระบบธรรมาิบาลการที่เขาเรียกร้องให้จัดการทรัพย์สินของวัดให้ดีถ้าไม่ทำจะเก็บภาษีพระฟังเป็นเรื่องตลกแต่มันสะท้อนว่า เราบริหารจัดการทรัพย์สินพระศาสนาคุ้มค่าไหมประโยชน์ใช้สอยที่เราได้จากทุนศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างไร IMF ก็ดี w ว r l d Bank ธนาคารโลกก็ดีเรียกร้องให้ทำแ8ข้อเพื่อบริหารให้มันมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ต้องทำแปดข้อหรอกเอาเจ็ดข้อก็พอเจ็ดข้อเยอะไปรวมไปรวมมาเหลือหข้อทำให้ได้หกข้อไม่ต้องมีใครมาเรียกร้องชื่อว่าเรากวาดบ้านตัวเองไม่ใช่เฉพาะที่วิทเขตนี้ทั้งสังคมทน ทั้งทุกวงการทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องกวาดบ้านตนเองด้วยระบบธรรมมาพิบาลธรรมมาพิบาลที่ใช้กันทั่วโลกกำลังเป็นกระแสที่ใครจะไปช่วยใครจะเอาเงินมาให้เราเงินจะสูญไหม จะมาสร้างอาคารให้เราอาคารมันจะเป็นเ้าเรียกป่าช้าหรือเปล่าสร้างมาแล้วคุ้มไหมถ้าเราทำหกข้อคุ้มข้อที่หนึ่งการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมหมายถึงในการตัดสินใจ และในการบริหารสั่งการปฏิบัติการเรามีอาคารหนึ่งหลังใครจะมาใช้บ้างและใครมีอำนาจตัดสินใจบางทีการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนคนเดียวแล้วให้ใครต่อใครก็ไม่รู้มาใช้มั่วไปหมดมันก็พัง เพราะไม่สนองวัตถุประสงค์ของการสร้างเดี๋ยวโนดก็มาขอนี่ก็มาขอทำไปทำมาอาคารพับนบางทีกลุ่มที่มาใช้ควรจะได้ใช้แต่เราไม่ให้ไม่ใช่พวกเดียวกับเราไปกีดกันอีกการตัดสินใจ จังต้องมีส่วนร่วมในรูปของสภาบ้างกรรมการบ้างในเรื่องของการตัดสินใจการบริหารวิทยาเขตเขามีสภาวิทยาเขตแต่น่าเสียดายว่าหลายวิทยาเขตหรือบางวิทยาเขตประชุมกันปีละครั้ง สติปัญญาของผู้เก่งกล้าสามารถไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการเพราะไม่มีการประชุมของสภาวิยาเขตของคณะกรรมการวิทยาเขตพระพุูธเจ้าตรัสไว้ในอปาริหานิยธรรมสมัชชาสันนิปริสันติมันประชุมกันเรื่องนิพสมัชขาวุฒิหิสันติ พร้อมกันเลิกประชุมสมัคคาสังคกรลยานยานิกริสันติพร้อมกันทากิจที่ควรทำเราทำหรือเปล่าการมีส่วนร่วมก็คืออปปริหานิยธรรมข้อที่หนึ่งและไม่ใช่งบยิบคุยกันแต่ในฝ่ายพระญาติโยมมีส่วนร่วมไหม นี่สิอยากเรียนวิชาอะไรในโคราชเนี่ยชาวบ้านอยากให้ลูกหลานเรียนวิชาไหนท้องถิ่นอยากให้อานุรักษ์เรื่องอะไรคณะสงฆ์อยากให้พัฒนาในด้านใดฟังกันบ้างหรือเปล่าทำไมประเทศสวิสเซอร์แลนด์จึงสวยงามใครไปก็กลับมาชม ดูภาพก็บอกว่ามันสวยประเทศเราพยายามเรียนแบบสร้างตรงนั้นตรงนี้พัฒนาแหล่งนั้นแหล่งนี้แม้แต่วังน้ำเขียวตอนนี้ไรหรือ้อเพราะเราไม่ได้ให้มีส่วนร่วมสวิตเซอร์แลนด์นั้นแต่ละจังหวัดเขาจะรักษาร่วมกันภูเขา พืนนาวางแผนทั้งหมดและแต่ละจังหวัดมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนแค่พระไปอยู่สร้างวัดตัดหญ้าเอาไปใส่ถุงผิดสีถ้าถุงดำหมายถึงเป็นขยะเอาไปในเทศบาล ไปสลายย่อยสลายถ้าถุงสีนี้เอาไปทําปุ๋ยพระไม่รู้ให้โยมตัดหญ้าเอาไปใส่ถุงผิดเท่านั้นแหละเพื่อนบ้านโทรไปบอกซิตี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ไปบอกคนไทยพระธนาคารอาหารไทยให้ช่วยไปบอกพระหน่อยว่าหญ้านั้นทําปุ๋ยได้อย่าเอาไปใส่ถุงผิดเดี๋ยวรถเทศบาลมันเอาไป ย่อยสลายหมดหญ้าต้องเอาไว้ทำปุ๋ยมิเะนั้นสวยแนด์ไม่สวยเขามีส่วนร่วมมีปากมีเสียงทุกอย่างในอเมริกาใครจะสร้างวัดในซื้อแสด์ใครจะสร้างวัดต้องมีพั b l ิ c เฮียริ่งชุมชนววายอย่างไรถ้าจะ ปลูกอาคารขึ้นมาชุมชนว่าอย่างไรไม่ใช่ปล่อยให้สร้างให้สร้างกันแล้วไปไล่หรือเขาป้องกันตั้งแต่ยังไม่สร้างประโยชน์ใช้สอยการบริหารจัดการถ้ามาจากหลายมันสมองหลายหัวดีกว่าหัวเดียวที่ไหนก็จเจริญ น, นี่คือการมีส่วนร่วมทางร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการใช้สอยใช้ประโยชน์นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองความรับผิดชอบองค์กรที่ใหญ่ถ้าไม่มอบหมายให้มีเจ้าภาพว่าเรื่องนี้อาจจะมีหลายๆฝ่ายมาร่วมกันแต่ใครใครเป็นเจ้าภาพหลักใครเป็นเจ้าภาพรอง ถ้าผิดพลาดขึ้นมาเล่นงานใครไม่ใช่ว่าปัดพ้นตัวไม่เกี่ยวประชุมกันแล้วโดยมติบอร์ดมติคณะกรรมการแต่กรรมการไม่ได้มอบหมายว่าให้หน่วยงานไหนส่วนงานไหนรับผิดชอบถ้าสำเร็จเป็นผลงานของส่วนงานนั้นถ้าผิด ต้องโดนลงโทษถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะเหมือนกับเกี่ยงกันโบราณเขาบอกว่าในการพยากรณ์วันสงกรานต์ปีไหนหน้าให้น้ำหลายตัวฝนน้อยหน้าให้น้ำตัวเดียว ฝนชุกแปลกไหมนาคให้น้ําหลายตัวควรจะมาช่วยกันแต่มันเกียงก็เลยแทงกัดกันไม่ช่วยกันให้น้ํานาคยังเกียงกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ามอบหมายให้ตัวใดตัวหนึ่งให้น้ําฉันได้หน้า เป็นผลงานของฉันขยันให้นะ้ำฝนชุกในการประชุมของวิยาเขตต้องเมตติมอบหมายมหาจุลาในส่วนกลางไม่สามารถจะเอื้อมมือมาเกี่ยวข้องทุกอย่างเราจึงมอบหมายให้รองอธิการบดี วิทยาเขตนั้นนั้นเป็นหัวหน้าวิทยาเขตรับผิดชอบในวิทยาลัยสองที่ไม่ได้สังกัดวิทยาเขตผ อ, อ, อ ก, ก็ต้องรับผิดชอบและถ้ามีความดีความชอบความสำเร็จเป็นของท่านเราบริหารกันอย่างนี้มีผู้รับผิดชอบฐานโดยพฤติไน และตามกฎหมายคณิติไหนจึงมีองค์กรที่ขยายไปเรื่อยๆทั่วโลกความสำเร็จแห่งการสร้างอาคารนี้แม้ว่าจะมาจากงบประมาณแผ่นดินเราก็เป็นแต่เพียงส่วนกลางเป็นเพียงทานผ่านคือขอให้ แต่การบริหารจัดการให้สำเร็จอย่างนี้ก็ดีการริเริ่มการใช้สอยเป็นเรื่องของท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรตมเหหิกิจจังอาตปังอักขาตาโรตถาคตาการลงมือทำหน้าที่เป็นเรื่องของท่านทั้งหลายแต่การชี้แนะบอกทาน เป็นเรื่องของพระตถ า, าคตส่วนกลางให้นโยบายแต่การปฏิบัติเป็นเรื่องของวิยาเขตวิทยาลายัยเรากระจายความรับผิดชอบกันอย่างนี้นี่ข้อที่สองมีผู้รับผิดชอบข้อที่สาโปร่งใสคำว่าโปร่งใส แปลจากภาษาอังกฤษว่า Transparency มองทะลุตึกถ้ามันทึบเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องข้างในเรามีหน้าต่างเรามีกระจกอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นห้องนี้ปิดประตูทึบไม่มีหน้าต่างเรียนหรือนอนหลับเราก็ไม่รู้แต่พอมีหน้าต่างมาเดินตรวจ นี่กำลังเรียนนี่กำลังทำกิจกรรมไว้ใจได้วานใจได้ฉะนั้นโปรง่งใสคือให้ทุกคนมองเห็นว่าทำอะไรกันอย่างไรขอพูดตรงนี้ว่าคำว่าโปรง่งใสหมายถึงชี้แจงได้ สร้างอาคารหลังนี้กี่บาทใช้เงินทำอะไรบ้างแล้วคนมาเห็นเหรอไม่เห็นลงไปใต้ดินกี่ล้านพ้นดินกี่ล้านเล็กกี่หุนไม่เห็นแต่การโปร่งใสหมายถึงอะไรหนึ่ง มีระเบียบขั้นตอนให้ทำอะไรทำตามนั้นมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับระบุว่าจะต้องมีการประมูลมีการกรรมการกำหนดราคากลางมีผู้ตรวจงานตรวจงานก็ต้องบันทึกถ่ายภาพกรรมการตรวจสุดท้ายก่อนจ่ายเงิน มีภาพถ่ายมีบันทึกการประชุมถ้าทําตามนี้ทุกอย่างใครมาขอดูดูได้หมดตั้งแต่ประชุมครั้งแรกจนสุดท้ายก่อนเบิกเงินเบิกเงินแล้วไปที่ไหนมีเอกสารหลักฐานเก็บไว้เขาเรียกโปร่งใสโปร่งใสคือเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้และชี้แจงได้มีหลักฐาน นิสิตมาสอบกับพวกเราอาจารย์ตรวจข้อสอบอลำเอียงอคติตัดคะแนนเขาหรือเปล่าถ้านิสิตสงสัยมีสิทธิ์ร้องเรียนขอดูการตรวจได้และถ้าบาังเอิญวิทยาเขตไม่เก็บใบตอบไม่เก็บหลักฐานไว้ชี้แจงไม่ได้ไม่โปรง่งใสทำไมคนนี้ได้เอทุกวิชา ทำไมคนนี้มันตกวิชานี้ไม่มีหลักฐานเก็บไม่โปร่งใสละมีแล้วก็ไม่ชี้แจงงบยิบไม่โปร่งใสมีระเบียบอย่างไรทําไปตามนั้นเถอดท่านปลอดภยัยทําแล้วมีหลักฐานบันทึกไว้พร้อมชี้แจงปลอดภยัยเขามาถามเราชี้แจงได้มีหลักฐานโปร่งใสทุกขั้นตอน นี่คือข้อที่สามข้อที่สี่เราจะโปร่งใสได้ต้องมีหลักนิติธรรมรูลอบหลอกมีระเบียบที่เป็นธรรมมีกฎที่เป็นธรรมมีข้อบังคับที่เป็นธรรมไม่ใช่กฎของฉันนึกจะสั่งอะไรก็สั่งไม่ดูระเบียบนึกจะตั้งอะไรก็ตั้ง นึกจะปลดใครก็ปลดนึกจะลงโทษก็ลงโทษไม่สอบสวนอย่างนี้ทะเลาะกันตายกฎหมายไม่เป็นกฎหมายหรือมีกฎหมายก็หลายมาตรฐานที่ไหนมันก็ทะเลาะกันหลักนิติธรรมคือหนึ่งมีกฎหมายและเบียบข้อบังคับที่เป็นธรรม เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่ช่วยกันยกร่างมีประชาพิจารณ์ถ้าจำเป็นและออกมาอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติและพร้อมที่จะให้เป็นบรรทัดฐานในมหาวิทยาลัยสงแห่งนี้ ยึดหลักสามประการหนึ่งกฎหมายแผ่นดินตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมาจนระเบียบข้อบังคับต่างๆสองพระธรรมวิยัยปฏิบัติไปตามวิัยของสงฆ์และสามจารีตสิ่งที่เราเคยทำกันมารักษาไว้หลวงพ่อพระธรรมวรรณายก สมัยก่อนบริหารอย่างไรมาปัจจุบันนี้เราเคารพเคยมีมติบันทึกไว้อย่างนี้เราเคารพมติเป็นจารีตฉะนั้นในการประชุมในการตัดสินใจเราต้องเก็บหลักฐานเป็น KM k n o w l e เ g e m a n a g e อ e n t เอาไว้เพื่อให้รุ่นหลังได้มาศึกษาเพื่อให้รุ่นหลังได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เราเรียกว่าจารีตหลักข้อที่สี่คือยึดกฎหมายและเบียบข้อบังคับยึดพระธรรมวินัยยึดจารีตปลอดภัยข้อที่หหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมเรียกว่า merit system หมายถึงเอาคนเก่งคนดีเข้ามาสู่ระบบ ไม่ใช่เล่นพักเล่นพวกการเล่นพักเล่นพวกเรียกว่าสปอยล์ซิสเต็มเล่นพักเล่นพวกปิดโอกาสคนเก่งคนดีซึ่งมีอยู่มากมายในจังหวัดนครราชสีมาทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งคฤรือหักญาติโยมเอานิสิตเก่งๆเข้ามาเรียน รับคนเก่งๆ เ, งเข้ามาสอนทำไมประเทศจีนในสมัยโบราณจเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถังเป็นต้นเป็นยุคทองก็เพราะเขาใช้ระบบคุณธรรม Merit System ร, ระบบคุณธรรมในประเทศจีนนี้ทำให้ประเทศจีนสมัยโบราณรุ่งเรือง อังกฤษมาปกครองอินเดียอยู่ใกล้ๆกับเมืองจีนก็เอาระบบนี้มาใช้ที่อินเดียแล้วเอาจากอินเดียไปใช้ทั่วยุโรปที่อังกฤษปกครองเราเรียกว่าระบบคุณธรรมระบบอะไรหรือท่านระบบจองงวนในจีนจีนเป็นประเทศใหญ่ มีคนเยอะมากในสมัยโบราณและจะเอาใครมารับราชการในราชสำนักและกระจายไปทั่วประเทศถ้าเกิดให้ราชวงศ์ของจีนเลือกกันเองมันก็จะได้คนข้อมล้อมซึ่งไม่เก่งก็ได้จีนได้คิดระบบคุณธรรมขึ้นมาเรียกว่าสอบจอหงหนน ปีหรือสองปีสอบครั้งหนึ่งชาวนาชาวไร่มีสิทธิ์มาสอบขอให้เก่งเราจะได้ดูภาพยนตร์ได้ฟังเรื่องราวหนุ่มชาวนาเป็นกงชื่อเป็นบัณฑิตเรียนหนังสือเดินทางล้อนแรมไปปักกิ่งไปเมืองหลวงเพื่อสอบ แข่งขันในระดับชาติสอบได้แล้วเป็นข้าราชการเลื่อนชนชั้นเป็นผู้ปกครองโดยไม่บอกว่ามาจากชาวนาะชาวไร่ชาวสวนเป็นระบบที่อินเดียไม่มีอินเดียวันนีสูรเลื่อนได้ไหมไม่ได้ วันนสูตรต้องเป็นคนใช้ตลอดชาติเพราะฉะนั้นเวลาอังกฤษไปปกครองอินเดียงงมากจะเอาคนเก่งมานี่ทำอย่างไรก็ไปดูจีนแล้วเอามาประกาศใช้ในอินเดียทุกวันนี้อินเดียก็สอบแข่งขันทั่วประเทศจบปริญญาแล้วจะเป็นข้าราชการอินเดีย ต้องไปสอบแข่งขันเมื่อเราสอบกพนี่แหละแต่มีข้อแม้อย่าทุจริตการสอบเหมือนสอบครูในบางประเทศต้องยกเลิกเราไปทำลายระบบเมริซิเตมที่เอาคนเก่งเข้าสู่ระบบด้วยการทุจริตคอร์รัปชันลำเอียงเล่นพักเล่นพวกไม่ได้ ฉะนั้นมหาจุฬาซึ่งเป็นองคอ์กรใหญ่ต้องใจกว้างรับคนเก่งคนดีทั่วประเทศไม่ใช่ตำแหน่งนี้ก็มีตัวอยู่แล้วตำแหน่งนี้ก็มีคนไหนอยู่แล้ววันหนึ่งระบบพักพวกมันจะทำลายตัวเราเองจีนซึ่งเคยยิ่งใหญ่ทาไมวันหนึ่งก็ล่มสลายต้องเป็นคอมมิวนิสต์ เพราะตอนหลังไม่ใช้ระบบจองวนเล่นพักเล่นมั่วเกินไปโคราชและอื่นๆเป็นจังหวัดใหญ่ต้องเปิดโอกาสให้คนเก่งคนดีเข้ามาเยอะๆมาช่วยกันสนองงานคณะสงฆ์มาช่วยกนงงนนันสนองงานของภาครัฐและภาคเอกชนมิฉะนั้นมันจะเกิดสภาพที่เรียกว่า อินบรีดดิ้งยุโรปมหาวิทยาลัยในยุโรปในอเมริกาวิจารณ์มหาวิทยาลัยในเอเชียในไทยว่ามันแข่งขันสู้ชาวโลกไม่ได้เราเองเด็กของเราสอบปีซ่าอายุสิบห้าปีทั่วประเทศเนี่ยไปแข่งกับทั่วโลกเราอยู่อันดับ ท้ายท้ายในขณะที่เวียดนามขึ้นไปอยู่ท็อป10ในเดือนธันวาที่ผ่านมานี่ระบบผลสำนิกทางการศึกษาของเรานี่โลในเอเชียไปแพ้เวียดนามหลุดลุยนายกรีถามทำไมเป็นอย่างนี้สอบวิทยาศาสต ร, ร์คณิตาศาสตร์ภาษาอังกฤษและร ะ, ะดับเด็กอายุ15ปีแพ้เขา เพราะอะไรในอาเซียนเราก็สู้เขายากเพราะ inbreeding inbreeding ก็คือพี่สอนน้องจบจากสถาบันไหนก็เอาคนในสถาบันนั้นแหละเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารอยู่กันอย่างนั้นะมันไม่มีความคิดแยกไม่มีความคิดต่างนี่คือตะวันตกมองเรา นี่คื อ, อยุโรปมองเราสหรัฐมองเราเราก็เลยไม่ได้มีการพัฒนาเพราะว่าครับผมอยู่อย่างนั้นใจกว้างพอไหมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเข้ามาบริหารในมหาวิทยาลัยของเราไม่ใช่ไปตั้งปราการตอนสอบเข้ารับสมัครเอาแต่พักพวกเอาแต่รุ่นเดียวกันเอาที่จบมาจากสถาบันเดียวกัน เมื่อไรเมื่อไรก็จบจากอินเดียด้วยกันแล้วชาติไหนมันจะเจริญฉะนั้นในข้อที่ห้าเมอริซิเต็มเอาคนเก่งเข้ามาสุดท้ายข้อที่หกประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสิทธิภาพหมายถึงอะไร e อ f i c i e n c y หมายถึง ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากเราสร้างอาคารหลังนี้ด้วยเงินแปดสิบล้านมาดูแล้วถ้าสร้างที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้หรืออาจจะถูกกว่านี้มันก็เกิดคำถามคุ้มไหมได้อาคารมาขนาดนี้หลังนี้ ด้วยเงินเพียงเท่านี้ถ้าบอกว่าคุ้มประโยชน์สูงประหยัดสุดแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมไม่ให้รั่วไหลใช้วัสดุตรงตามสเปคนี่เรียกว่าประสิทธิภาพดูความคุ้มทุนเรามีอาจารย์แค่นี้ มีนิสิตนักศึกษาขนาดนี้แต่สอนแล้วเก่งจังเลยนิสิตพูดภาษาอังกฤษได้ไปไประชุมทำวิธิพผลจบตามกำหนดผลงานได้รับการยอมรับอาจารย์ไม่มากตึกไม่เยอะแต่ผลผลิตดีเหลือเกินคุ้มมีประสิทธิภาพไม่ใช่ปริมาณ บางทีมีปริมาณเยอะจบไปเยอะแต่ไม่คุม้มสักแต่ว่าจบจ่ายครบจบแน่มีประโยชน์อะไรไล่กันจบไม่คุ้มการลงทุนของประเทศชาติประเทศไทยจ่ายเงินเพื่อการศึกษาในกระทรวงสาธิการเนี่ยมากที่สุดกว่าทุกกระทรวงแต่ผลผลิตคุ้มหรือเปล่า มหาวิทยาลัยสงก็ต้องคิดในฐานะอธิการบดีก็พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดที่นี่เท่านั้นพูดทั้งหมดและพยายามยกระดับคุณภาพเราเรียกว่า quality assurance การประกันคุณภาพขั้นที่หนึ่งแค่ให้มีคุณภาพพอที่สาขาจะไม่ถูกไล่ปิดทั่วประเทศเนี่ย ถ้าไม่มีคุณภาพเขาไล่ปิดทีละแห่งทีละแหง่แหงเพราะว่าบางแหง่งบางมหาวิทยาลัยเปิดสาขาในปั๊มในอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตัวเองแต่มหาจุฬาทั่วประเทศ45จังหวัดไปที่ไหนไม่เห็นอาคารใหญ่โตนี่ผ่านไปครึ่งแหลแล้วไปดูอีกครูบาอาจารย์สอนจริงไหม บางแห่งมีแต่ชื่อเอาผู้เรียนไปถามว่ารู้จักไหมอาจารย์คนนี้คนนี้ไม่เคยเห็นหน้าสั่งปิดแล้วสอก็ อ, อกปิดล่ะโคราชไม่เป็นอย่างนั้นวิทยาเขตบริเวศอย่างนั้นทำจริงจังหวัดต่างๆที่เราไปเปิดเราทำจริงเราหวงผลผลิตเพราะมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชาติเราพัฒนาบัณฑิตสํำใดสํำหนึ่ง ภาษาจันนรงเนี่ยนะมันก็ไปสร้างชาติสัมใดยัมหนึงไม่ได้เรื่องไดแล้ววัดก็จะไม่พัฒนาประเทศก็ไม่พัฒนาเราทำจริงมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใช้อาคารสถานที่คุ้มเรียกว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลคืออะไรประสิทธิผลหมายถึงดูผลสำเร็จ Effective หมายความว่าการประกันคุณภาพนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญสอบจองหวนทั่วประเทศจีนมาตรฐานเดียวกันหมดต้องชื่นชมการศึกษาภาษาบาลีครับเรากำลังจะสอบบาลีครั้งที่สองอีกสองสัหวัด มาตรฐานข้อสอบเหมือนกันหมดตรวจแข็งเหมือนกันหมดใครเป็นมหาป ร, รียาประโยคสามภูมิใจดีใจนี่คือผลสัมฤทธิ์นี่คือประสิทธิผลประโยค9ายังศักดิ์สิทธิ์มหาจุฬาต้องดูการวัดผลประเมินผลของบาลีของเราอาจจะตกเยอะหน่อย แต่คุมคุณภาพเรียกว่าประสิทธิผลเรียนเยอะตกมากหาว่าไม่คุม้มไล่จบกันหมดเลยไม่มีตกทำให้เด็กไทยทุกวันนี้เป็นภาระสังคมเราต้องให้ตกบ้างหมายถึงในโรงเรียนทั่วๆไปเนี่ยส้ำชั้นกันบ้างนี่เป็นข้อวิจารณ์ทั่วไปประสิทธิผล มีคุณภาพคล่งเกินอาจจะไม่คุ้มจบยากแล้วก็ผ่อนลงมาบ้างการวัดผลของบาลีอาจจะตึงไปแต่เราต้องเอามาใช้ระบบข้อสอบกลางยังเป็นประโยชน์ครึ่งหนึ่งออกมาจากส่วนกลางวัดทั่วประเทศใครได้เกีรดนิยมเยี่ยมสมัยก่อนถ้าไม่มีข้อสอบกลาง ให้แต่ละส่วนวัดผลเองอาจจะมีเกียรตินิยมเยอะบา ง, บางที่เกียรตินิยมน้อยบางแห่งคนสงสัยมาตรฐานต้องเหมือนกันหมดทั่วประเทศนี่เรียกว่าประสิทธิผลสรุปธรรมมาพิบาลมีหกข้อหนึ่ง participation การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการร่วมกันทำงาน 2 accountability ความรับผิดชอบต้องมอบหมายให้ใครทำใครดูแลสร้างตึกมาแล้วใครดูแลฝ่ายอาคารสถานที่ดูแลใช้ประโยชน์คุ้มไหมประหยัดพลังงานหรือเปล่าเป็นต้น3า transparency โปร่งใสตั้งแต่เริ่มสร้างมานี่นะตั้งแต่แบบบู p r i n t เก็บไว้ไหม เพราะต่อไปเวลาจะซ่อมเอาที่ไหนสายไฟขาดใต้ดินตรงนั้นตรงนี้มันจะต้องมีพิมพ์เขียวแล้วไปประกวดราคาใช้พิมพ์เขียวก่อสร้างตามนั้นไหมมีบันทึกทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างชี้แจงได้ตามขั้นตอนตามระเบียบเรียกว่าโปร่งใส Transparency ข้อที่สี่ รอูอัปลอหลักนิติธรรมมีกฎระเบียบที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติทั้งกฎหมายพระธรรมวินัยและจารีตต้องยึดข้อข้อหหลักคุณธรรมเราสร้างวิทยาเขตใหญ่โตใครมาบริหารหลากหลายมาจากไหนก็ได้ทั่วโลกทั่วประเทศ ขอให้ดีและเก่งไม่เล่นพักเล่นพวกนิสิตมาเรียนกับเราจากไหนอย่างไรได้ทั้งนั้นอยู่ในเกณฑ์และเป็นคนเก่งคนดีข้อสุดท้ายมีสองประเด็นประสิทธิภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพเอฟ i ิ i e n ซ y ประโยชน์สูงโดยประหยัดสุดคุ้มการลงทุน ในเรื่องบุคลากรเรามีไม่มากแต่ได้คนเก่งคนดีมาบริหารเยี่ยมด้านอาจารย์ได้อาจารย์เก่งๆดีๆไม่กี่คนนอกนั้นอาจารย์พิเศษเยี่ยมนิสิตรัดเข้ามาเกณฑ์นในการสอบเข้ามีเอาคนเก่งคนดีเข้ามาเรียนจะจบนี่คือประสิทธิภาพจะจบวัดผลประเมินผลเชื่อถือได้ไม่ เห็นแก่หน้าตกเป็นตกได้เป็นได้เกียรตินิยมคือเกียรตินิยมประสิทธิผลออกมาชื่อเสียงแห่งสถาบันนี้เกียรติคุณความดีก็ปรากฏใครก็พร้อมที่จะส่งลูกมาเรียนใครก็พร้อมที่จะบริจาคช่วยลงทุนเพราะคุ้มเกินคุ้มเราบริหารด้วยธรรมมาพิบาลกูตก็ประเนินเสียงนี้ ชี้แจงได้ใครก็ไม่มายุ่งกับเราส่วนกลางก็ไม่ต้องเข้ามาแทรกแซงกระทรวงก็ก็วางใจเราทำงานกันอย่างมีความสุขมีสุขกับการทำงานทำงานให้สนุกมีสุขกับการทำงานเพราะการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแท้ที่จริงทำมาพิบาลเป็นการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่อปริหารนิยธรรมเป็นต้นมาธรรมันเจรเสุจริตต่างบุคคลควรประพฤติธธ ร, รมให้สุจริตประพฤติหน้าที่ให้สุจริตเมื่อประพฤติหน้าที่ให้สุจริตเมื่อใดเป็นธรรมมาพิบาลเมื่อนั้นและนั่นคือความฝันและนั่นคือความหวังของมหาจุลาโดยรวม ของคณะสงฆ์โดยรวมและของวิยาเขตนครราชสีมาโดยเฉพาะที่ขอฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลอันเกิดจากมหาสังฆทานเสนาสนท า, านที่เราสร้างอาคารไว้ในพระพุทธศาสนา ขอจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจใจอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้แด่บุพการีของวิทยาเขตที่ล่วงลับดับชีพไปทุกท่านทุกรูปทุกคนขอได้มีส่วนแห่งบุญกุศลนี้ด้วยการอนุโมทนาบุญสำเร็จเป็นอิทธิทธวิบาก สุขสมบัติทิพยสมบัติในสัมปรายภพเพิ่มบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสมนงเจตนาปารพของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งบุญกุศล น, นี้จงเป็นพรหนุนนำให้วิทยาเขตมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน ชาวไทยและชาวโลกไปอีกนานแสนนานอำนวยพรให้ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษาและผู้ประถมทั้งปวงจเจริญยิ่งยิ่งเกินไปด้วยลาบยศสุขสรรเสริญทุกธิภาลาตรีการมีอายุวันลนะสุขะภะปฏิพานธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติ ปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปราถนานั้ น, น, นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสาเร็จสมโนรถมุ่ง ม, มาดปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทินสาธุ